จเจรินพรพวกเรายินดีด้วยนะยังรอดอยู่รอดจากน้ำท่วมมาได้หลวงพ่อไม่ได้มาเทศกรุงเทพสองเดือนมั้งประมาณนั้นคนกรุงเทพเลยไปอยู่ศรีราชาเนี่ยเยอะมากเลยเวลาชีวิตเราเกิดวิกฤต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 ยกมือให้หลวงพ่อดูเสียงเยอสอบตกหรือสอบได้เอาใครสอบได้ยกมือเซียใครสอบตกไมไมอย่างน้อยสอบได้เยอะกว่าสอบตกสแสดงว่าคอร์สของเราใช้ได้คนสอบได้เยอะกว่าบางคนก็สงสัยอุตสาห์ทความดีทำไมน้ำท่วมบ้าน บุญไม่ให้ผลเลยเหรอสาขเข้าวัดทำบุญทำทานทำไมทรัพย์สินยังเสียหายทั้งที่ทำทานทำไมชีวิตลำบากธรรมะไม่ได้แปลว่าทำให้น้ำไม่ท่วมบ้านค็ละเรื่องกันถ้าบ้านเราอยู่ต่ำกว่าน้ำน้ำก็ท่วมบ้านถึงจะมีบุญแค่ไหนก็ท่วมเหมือนเมื่อก่อนนี้ไฟไหม้เมืองสุรินทร์ไหม้ซะมากเลยนะ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 อะไรผ่านเข้ามาผ่านเข้าไปบ้างมีความสุขมาและความสุขก็ไปความทุกข์มาแล้วความทุกข์ก็ไปนะความเฉยเฉยมาความเฉยเฉยก็ไปเนี่ยสามสิ่งนี้หมุนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติกี่ปีกี่ชาตินะกี่ภบกี่ชาติสามสิ่งนี้ก็ยังหมุนอยู่ในใจของเราเรื่อยไปเวลาเราเจอสิ่งที่ชอบอกชอบใจนะเราก็มีความสุขแตนะ่ความสุขมันไม่อยู่กับเรานานมันก็ไป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 มันทุกข์อยู่ช่วงเดียวทำไมน้ำท่วมไปพักหนึ่งแล้วทุกข์น้อยลงน้ำก็ยังท่วมอยู่นะอดอยากก็ยังอดอยากอยู่ลำบากก็ยังลำบากอยู่น ใ, ใจมันยอมรับได้มากขึ้นเราอยู่กับคนบางคนหลายอยู่เป็นนานๆก็ชินไม่ทุกข์มากถ้าใจเรามีความอยากมากความทุกข์ก็มากความอยากน้อยความทุกข์ก็น้อยนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลย แ้าใจจะหมดความอยากได้ถ้าใจเห็นความจริงว่าทุกอย่างมนของชั่วคราวจะอยากมันทําไมที่เราอยากสารพัดอยากนะเราอยากได้ความสุขเราอยากหนีความทุกข์มีเท่านั้นแหละทําไมอยากจะเป็นสาวตลอดกาลเป็นหนุ่มตลอดกาลไม่อยากแก่รู้สึกแก่แล้วมันทุกข์นะลําบากไม่อยากเจ็บป่วยรู้สึกเจ็บป่วยมันทุกข์อยากจะมีความสุขน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 เรามาเรียนรู้ความจริงที่จิตเรานี้เองว่าความสุขความทุกข์เป็นของไม่เที่ยงความสุขเปความทุกข์เป็นของที่บังคับมันไม่ได้หรอกมันเกิดจากเหตนะุดับไปเพราะเหตุเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะวันแล้ววันเล่าลองดูไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะดูแล้วดูอีกแต่ดูด้วยใจที่เป็นกลาง ดูแล้วไม่เข้าไปแทรกแสงนี่ใช่ไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นพอเรารู้ว่าจิตใจมีความสุขแล้วทํายังไงความสุขจะอยู่นานๆไม่ต้องทำํำดูความจริงเพื่อให้วันหนึ่งเนี่ยจิตเห็นความจริงเว่าความสุขก็เป็นของโว่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนี่ดูแบบนี้เรื่อยๆนะแล้วชีวิตจะสบายขึ้นเยอะเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดเลยถ้าเราเห็นว่าความสุขก็โชวคราวความทุกข์ก็โว่วคราวนี่ปรากฏการทั้งหลายเกิดขึ้น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 ลงพ่อเขียนหนังสือที่อ่านยากไปเป็นวิชาการมากเป็นติดนิสัยอะไรก็เป็นวิชาการวันเทศนะเทศเป็นลูกทุ่งหน่อยฟังง่ายกว่านคนฟังซีดีนะปรากฏว่าเขาพอหนักเป็นเยอะเลยแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นได้ด้วยตัวเองเราเห็นได้ด้วยตัวเองคนจำนวนมากเลยที่สามารถ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 ฝึกไปฝึกไปมันเห็นว่าความสุขความทุกข์นั้นมันไม่ย้อมจิตมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วก็ไปนะจิตไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับมันจิตที่หลงยินดียินร้ายมันไหลเข้าไปเกาะไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์มีความสุขก็เข้าไปเกาะในความสุขนะมีความทุกข์ก็ไปเกาะอยู่ความทุกข์ความสุขกับความทุกข์อันไหนเกาะเร็วกว่ากันความทุกข์เกาะเร็วอะไรปล่อยได้ยากกว่ากัน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 มีเหตุก็เกิดขึ้นเหตุของความสุขก็คือจิตมันไปกระทบอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจพอจิตกระทบอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจก็ได้ความสุขจิตไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีความทุกข์อย่างบางคนภรรยาด่าทุกวันในตั้งแต่แต่งงานด่าทุกวันทุกวันเลยตีแรกก็ไม่พอใจนะอยู่ไปชินนคล้ายๆอยู่กับน้ํำนานแล้วชิน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 ถ้าดูได้แค่นี้นะแล้รักษาศีลห้าไว้เป็นพื้นฐานศีลห้าจำเป็นนะต้องรักษ า, าไว้ก่อนมีศีลห้าเป็นพื้นฐานไว้แล้วก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเน้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเน้อกับตัวแล้วความสุขเกิดขึ้นใน ใ, ใจรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้น ใ, นในใจรู้ทันความสุขมาจากไหนมาจากการกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ที่พอใจก็มีความสุขความทุกข์มาจากไหนมาจากการกระทบอารมณ์เหมือนกัน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 อย่างตาเรามองเห็นน้ําท่วมบ้านน้ํากําลังเข้ามาในบ้านนะตามองเห็นมีถัดสะนะเราตีความแนละ้วน้ำมาบ้านเราเนี่ยบ้านเราจะเสียหายนะเพราเราตีความได้อย่างนี้เราไม่ชอบนะไม่อยากให้น้ํามานะเพอน้ํามาเนะี่ยใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาพราะมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็อยากอยากให้น้ําแห้งเร็วๆนะี่น้ําไม่แห้งเราก็โมโ ห, โหใน่ใจจะยิ่งมีความทุกข์ซ้ําซ้อนเข้าอีก เพิ่มจากทุกทางร่างกายจากสภาพความเป็นอยู่มันกลายเป็นทุกข์ที่เกิดจากตันหาทุกทางใจนะนะทุกทางใจตัวตันหานี่แหละเป็นตัวต้นต่อให้เกิดทุกทางใจยิ่งอยากมากยิ่งทุกมากเมื่อวานหลวงพ่อเทศที่วัดนะที่ส่วนสันติธรรมปีนี้หลวงพ่อส่งลูกศิษย์ไปสอบนักธรรมหลายองค์นะบางองค์ก็จีเนียสมากนะท่านระดับที่หนึ่งประเทศไทยมาแล้วอนะ ท่านไปสอบนะสอบเสร็จแล้วจอยเลยนะดูซึมเสื่องเศร้าโศกอีกองเนะสดชื่อในองค์นั่งถัดจากคูบาเนี่ยสดเชื่นสอบเสร็จแล้วเราสังเกตดูเออองค์น้นเรียนเก่งมากเลยนะเก่งจีเนียสมากเลยสอบเสร็จแล้วทําไมท่านทุกข์ว่าองค์นี้ท่านมีความสุของค์นี้ท่านดีใจที่ท่านฐาน องน้นท่านเสียใจที่ไม่เต็มร้อย<笑><笑>อเห็นไหมดีกรีของความอยากนะทำให้ความทุกข์ไม่เหมือนกันนะอยากน้อยทุกน้อยเห็นไหอยากแค่ผ่านได้เจ็ดสิบก็ผ่านนะพอได้เจ็ดสิบนะท่านสบายใจได้เจ็สิบเอ็ดนะภูมิใจอะไรเงี้ยอีกองหนึ่นงได้เก้าสิบแปดเสียใจโอ้ฉันข้าวไม่ลงเลยวันนี้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 บางทีมัเป็นโทสะมันเบื่อลำคาญขึ้นมาเนี่ยเราครดูความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจไปเรื่อยนะเห็นมันมาแล้วไปมาแล้วก็ไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งใจของเราจะเบื่อในความสุขความทุกข์เนี่ยพอๆกันนะเรียกเบื่อหนด้วยปัญญาอันยิ่งการที่เบื่อด้วยปัญญาเรียกว่ามีนิพพิทนาะไม่ใช่โทสะโทสะเนี่ยเบื่ออันหนึ่งจะอยากได้อีกอันนึงเช่นเบื่อความทุกข์อยากได้ความสุข อย่างนี้เรีว่าโทสะถ้าเป็นนิพพิธานะก็จะเห็นเลยความสุขก็หน้าเบื่อเพราะว่ามันไม่เที่ยงความทุกข์ก็หน้าเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงใจที่มันมีนิพพิธาเนี่ยมันจะคลายความยึดถืออย่างถ้าเราเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นของหน้าเบื่อหน่ายหาสาระแก่นสารไม่ได้ใจจะคลายความยึดถือผูกพันในความสุขความทุกข์เรียกว่าวิราคาโนปัสีจะตามเห็นความคลายออกนะ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 จับอารมณ์พอจิตเข้าไปเกาะอารมณ์แล้วเนี่ยปล่อยง่ายไหมปล่อยไม่ง่ายใช่ไหมนี่เราฝึกไปด้วยนะต่อไปมันเห็นอารมณ์นี้ไร้สาระอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอะไรเงี้ยควาเห็นไร้สาระนะี่จิตมันปล่อยอารมณ์นะมันมายุดตัวมันเองขนาดปล่อยอารมณ์ยังยากเลยถ้ปล่อยตัวมันเองจะยากขนาดไหนนะมันปล่อยกายได้ก่อนนะนปล่อยกายได้ก่อนแนละ้วมันมาปล่อยจิตได้ที่หลังเพราะกายเนี่ยมันดู ง, ง่าย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 เกิดดับอันแรกที่ดูง่ายๆที่สุดนั่นดูความสุขความทุกข์ในใจนี่แหละดูไปค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้ไปได้รู้นนี้นะขันอื่นๆก็รู้ง่ายก็รู้วิธีเดียวกันนั่นแหละพอรู้ไปเรื่อยๆต่อไปใจก็จะคลายความยึดถือในขันออกจะปล่อยร่างกายก่อนปล่อยรูปก่อนเพราะรูปนี้มันแ ป, ปรปลวนง่ายแก่ชราคล่ำคล่าให้ดูง่ายเห็นง่ายเจ็บป่วยให้ดูเห็นง่ายลําบากให้ดูนเห็นง่าย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 ร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนีม่แยกธาตุนะแยกขันจิตเว็ น, นมามธทําทั้งหลายก็แยกได้สี่เหมือนกันทางรูปธรรมก็แยกได้สี่ดินน้ำไฟลมนมามธรรมก็แยกได้สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่แยกค่อยฝึกค่อยดูค่อยแยกไปสุดท้ายเห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างหาสาระไม่ได้แต่ไม่ต้องเรียนทีเดียวทุกอย่าง เมื่อตอนเอาอันเดียวก่อนดูความสุขความทุกข์ในใจนะนะั่นแหละง่ายๆทุกคนรู้จักอยู่แล้วไม่ซับซ้อนดูรูปนะซับซ้อนมากเลยนะกว่าจะทะลุสมมุติบัญญัติของรูปเพราไปเห็นรูปตัวจริงนะยากอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่รูปนะขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่รูปนะเป็นสมมุติบัญญัติอะไรเป็นรูปที่แท้จริงในเส้นผมก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะั่นนั่นรูปที่แท้จริงซึ่งดูยาก ใครจะไปเห็นไฟในเส้นผมเห็นไหมมองเห็นไฟในเส้นผมหรือไฟอยู่ในน้ำลายดูลาบากมีลมอยู่ในกระดูกอย่างเงี้ยดูยากนะแต่ดูนามาทำของธรรมดาธรรมดาดูง่ายสุขทุกข์ดีชั่วอะไรหมุนอยู่ในใจเคารู้ไปได้ไม่ยากหรอกะจริงๆธรรมะไม่ยากนะไม่ยาง่ายเลยวันนี้เทศง่ายๆอย่างนี้ไหวไหม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 เวลายยากๆนี่จะเทศอยู่ที่ส่วนสันติธรรมเนี่ยนะค่อนข้างจะยากหน่อยแล้วคนฟังนะยฟังแล้วฟังอีกถ้าพวกเราบางคนไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยนะฟังแล้วงงพระอุนีพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องความจริงสิ่งที่หลวงพ่อเทศนะบางคนไปว่าเลยนะว่าเทศไม่เหมือนครูบาอาจารย์ไม่เหมือนหรอกแต่เหมือนที่พระพุทธเจ้าเทศน์องไปดูพระไตรปิฎกดูนะ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 ต่อมาก็ปล่อยถาวรปล่อยเป็นคราวๆแล้วก็อ่จนสจัณยัะแย่อยู่แล้วนะปล่อยถาวรนึกประหลาดหนักเข้าไปอีกนะไม่ต้องรักษาจิตแตกนะไม่ต้องรักษาจิตไม่ต้องรักษาศีลนะแต่มีศีลไม่ต้องทำสมาธนะิแต่มีสมาธิไม่ได้เดินปัญญาแต่เข้าใจโลกนะงินง่างทางธรรมนะถึงวันหนึ่งมีที่สิ้นสุด ไม่เหมือนงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดเลยปีนี้น้ำท่วมใช่ไหมปีหน้าจะท่วมหรือเปล่าไม่รู้ก็เตรียมไว้ก่อนเตรียมงานถึงเวลาไปซื้อกระสอบทรายมาเตรียมไว้ต้องรีบซื้อก่อนจะได้ถูกๆอะไรเงี้ยซื้อละน้ําไม่มาทําไงดีล่ะ <c oughs> เลี้ยงกรบองเพชรสิ <c oughs> แต่เลี้ยงไม่ได้กรุงเทพไม่ค่อยมีแดดมืดๆกรุงเทพเทปเท่านี้ก็พอแล้วนาะ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 พิพนจากความปรุงแต่งลองดูนะลองดูไปทำเอาไปค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อจะรายงานการปฏิบัตินะคะทุกวันนี้ก็คือว่ามีวินัยในการทำในรูปแบบมากขึ้นนะคะก็มีสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิะคะ่ะแต่ว่ามันสมาธิมันไม่ถึงภาวะที่เป็นสมาธิจริงๆะคะ่ะ อ, อย่างมากมันก็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 เราเอฝึกให้จิตใจสงบพอสมควรวฝึกให้จิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้อย่าให้ใจวอกแวกไปธรรมชาติของใจนั้นมันวอกแวกตลอดเวลาและห้ามมันไม่ได้เพราะมันเคยสุขสนใสใสหาอารมณ์ไปเรื่อยๆเราต้องมาฝึกฝนมันฝึกมันโดยการหาอารมณนะ์ที่ที่ถูกออกถูกใจมันที่นำความสุขมาให้แล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัว่วกิเลส เอาอารมณ์ที่ดีที่มีความสุขนะมาเป็นเหยื่อล่อให้จิตรู้อย่างคนไหนชอบพุดโธเราก็พุดโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็ไปรู้ลมหายใจหายใจแล้วก็รู้ทันจิตพุดโธแล้วก็รู้ทันจิตต้องจับหลักให้แม่นนะไม่ใช่หายใจเพื่อจะให้จิตสงบไม่ใช่หายใจพุดโธไปเพื่อจะให้จิตนิ่ง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 จิตมันเนียแยกออกมาจากขันมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้หลุดออกจากโลกของความคิดได้งั้นถ้าใจย่างฟุ้งอยู่นะพุทโธไปเรื่อยๆนะชอบพุทโธไหมถ้าไม่ชอบเอาอันอื่นถ้าพุทโธได้ก็พุทโธแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อสงบนะพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปเลารู้ทันพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันพุทโธแล้วจิตซึมลงไปรู้ทัน ตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิที่ฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์จิตที่ซึมๆมก็เป็นนิวรณ์จิตที่แหม่มันเครียดเครียดแข็งแข็งมันไม่พออกพอใจนะไม่พอใจในความฟุ้งซ่านมันก็มีนิวรณ์มีความไม่พอใจพยาบาทหรือว่ามันเที่ยวพุทโธไปแล้วมันจะสงสัยพุทโธไปทําไมนะรู้ทันว่าใจสงสัยอยู่ตัวความสงสัยตัวอะไรนั้นมันก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตไม่สงบ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 นะแต่เรามาฝึกนะพุโทโธพุโทโธไปจิตนี้เรารู้ทันการที่รู้ทันบ่อยๆจะทําให้มีสติขึ้นมาเมื่อมีสติขึ้นมาเนี่ยถ้านิวรณเกิดแล้วสติะระลึกปับนะ๊บเนี่ยนิวรณจะกระเด็นหายเลย<ม>เพราะมันแพ้ทางกันกนะิเลสมันแพ้สตินะสติแพ้อะไรรู้ไหมสติแพ้อะไรแพ้ขี้เกียจ <laughs> พอขี้เกียจนะก็ไม่ยอมหัดดูสภาวะไม่ดูสภาวะก็จําสภาวะไม่แม่นจําสภาวะไม่แม่นสติก็ไม่เกิดนะอย่าขี้เกียจนะต้องดูได้่อยๆหลวงพ่อไม่ใช่คนภานาเก่งนะแต่หลวงพ่อทนเป็นคนที่ทนมากเลยนะั่นตั้งแต่เล็กครูบาอาจารย์สอนให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโธทําอยู่ได้ยี่สิบสองปีทําอยู่งั้นอนะ่ะเจริญปัญญาไม่เป็ น, น, นก็ทําไม่เลิกหรอกเมื่อเจอหลวงปู่ดุล ท่านส่งให้อ่านจิตตนเองท่านใช้คาว่าอ่านเลยนะคำว่าอ่านก็คือมันเป็นยังไงให้เรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปพอนะท่านสั่งให้อ่านจิตตนเองอ่านทุกวันไม่เลิกเลยเนะี่ยไม่ขี้เกียจงั้นตัวขี้เกียจเนี่ยเป็นตัวแสลงที่สุดเลยสาหรับนักปฏิบัติเนะี่ยอย่าขี้เกียจนะโง่ไม่เป็นไรอย่าขี้เกียจแต่โง่ก็ห้ามอย่างหนึ่งนะห้ามขยัน รู้จักนัปโปเลียนไหมนัปโปเลียนนะกําหนดไว้เลยว่าคนมันมีหลายจำพวกไอ้พวกฉลาดนะแต่ขี้เกียจนะเอาไปเป็นเสนาธิการฉลาดด้วยขยันด้วยนะเ อ, เ, นนะ เ, ยเอาไปเป็นแม่ทัพนะขี้เกียจแล้วโง่เอาไปเป็นพลทหารใช้แรงโง่แล้วขยันเอาไปยิงเป้าพวกนี้ก่อเรื่อง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 ถ้าเลือกอารมณ์นี้พอเหมาะพอควรกับเราแล้วนะทำเรื่อยไปสงบก็ทำไม่สงบก็ทำถ้าเปลี่ยนรายวันเนี่ยไม่ได้กินหรอกเช้าพุโทโธบ่ายพองยุบ <c oughs> กลางคืนขยับมือไม่ได้กินสักอันนะเพราะอะไรเพราะจิตที่ฟุ้งซ่านก็คือจิตที่เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆแทนที่เราจะมาน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วสงบลงมากนละับไปตามใจมนะัน เปลี่ยนอารมณ์ไปไ ด, ได้ๆก็ฟุ้งไปกับมันเองเนี่ยกลับนวัตสการครับหลวงพ่อครั้งที่แล้วผมขอส่งกันบ้านสามข้อนะครับครั้งที่แล้วหลวงพอ่อบอกว่าให้ผมไปอย่าไปเพ่งจิตผู้รู้นะครับทั้งๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหลวงพอ่อแนะนำอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ไปเดิ น, ดนจงกรมนะฮะแล้วก็เห็นว่ากายเดินอยู่นะแล้วก็มี เหมือนกับมีตัวรู้อีกตัวไปดูว่ากำลังมีรู้นะะรู้รู้รู้ซ้อนรู้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอ่อ่ข้อที่หนึ่งนะครับที่ข้อที่สองก็เดินจงกรมอีกเหมือนกันนะฮะเอาทีละข้อนะครับผมถ้าเราจงใจไปดูตัวจิตจงใจไปดูตัวผู้รู้เนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ซ้อนรู้ไปเรื่อยๆเป็นสมถะนะเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาอ่ะต่อไป พอที่สองกผมก็เดินจงกรมอีกเหมือนกันครับแล้วก็พอเดินไปมันก็ฟุ้งแล้วก็รูฟุ้งแล้วก็รูอ่ะนะครับก็เหมือนกับมีโทสะเหมือนกับเอ๊ะทำไมเราไม่ยอมสงบอ่ะนะฮะนี้ก็เลยหายใจให้มันแับแรงๆอ่ะครับแล้วก็เดินไปแล้วก็หลบอีกนะฮะแล้วพอพอสุดทางจงกรมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะที่เราเราทําไปเนี่ยนะฮมันมันเหมือนกับมันบังคับไม่ได้อืมันเป็นอัตตานี่นะคือคิดนํำมันฮะเข้าใจไว้งนั้นนะฮะคิดนําว่าเดี๋ยวมันก็ฟุงเดี๋ยวมันก็ เราพยายามจะให้มันสงบแล้วมันก็ฟุ้งเนี่ยมันก็รู้เนี่ยนะมันก็ก็เป็นเหมือนก็รู้สึกว่ามันเป็นอัตตาดันั้นก็คิดต่อนะครับท่านพอว่าเออถ้าอย่างนี้แสดงว่าอารมณ์ที่เรารู้เนี่ยก็คืออารมณ์ฟุ้งกับอารมณ์สงบเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังสินะฮะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยจิตมันก็นิ่งไปเลยครับแลเวลาเราพิจารณ์นะช่วยมันพิจารณ์มันได้ความสงบนะได้สมถะก็ถูกแล้วล่ะการช่วยมันคิดพิจารณา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 เราก็รู้ทันเลยเออโทรศั์ก็เป็นสภาวะธรรมอีกอันหนึ่งแต่เดิมไม่มีตอนนี้มีนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงนะแรกๆ ก, ก็ช่วยมันคิดก่อนก็ได้แต่ต่อไปไม่ต้องคิดมันจะเห็นไตรลักษณ์ของมันเองช่วยมันคิดได้ความสงบถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะได้ปัญญาครับข้อที่สามนะครับก็คื อ, อ, อช่วงหลังๆเนี่ยนะผมรู้สึกถึง ความเป็นมีมานาอัตตาของตัวเองมันเหมือนกับบังคับให้เราทํานูน่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาครับซึ่งผมรึกเมื่อก่อนก็นมีแต่ไม่เคยเห็นนะตอนนี้เราเห็นแล้วรู้สึกไหมกิเลสตัวนี้น่าเกลียดพอเราเห็นตัวมานาอัตตานะั้นเรารู้เลยน่าเกลียดมากแต่เดิมเราเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เห็นนะเนี่ยเป็นพัฒนาการเมื่อเราเห็นได้ต่อไปนะเราก็จะดีงามขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลัง การคิดการพูดการทำนะคือกูทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยกะทั้งเข้าวัด <c oughs> กะทังฟังหลวงพ่อประโมทเทศที่อยากขอคำแนะนำหลวงพ่อครับว่าจะปฏิบัติต่อไปนะครับจะทำอะไ ร, รของคุณปัญญาแก่กล้านะต้องระวังปัญญามันล้ำหน้านะระวังตัวนี้ยเพราะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยไม่รีบร้อน ค่อยดูไปตามลาดับไปสบายๆนะงั้นใจมันจะรีบสรุปคือความคิดของเราเรีบรีบสรุปซะก่อนที่จิตจะเข้าใจนะการภาวนาเนี่ยต้องให้จิตเข้าใจจิตถึงยะล้างกิเลสถ้าเรารีบสรุปซะก่อนนะจิตจะไม่เดินปัญญาต่อลนะของคุณเนี่ยจิตมันรีบสรุปไตรลักษณ์เร็วไม่ใช่จิตอนะสมองมันรีบสรุปไตรลักษณ์เร็วเกินไป ก่อนที่จิตจะเห็นนึกออกไหมนะได้เป็นจุดอ่อนนะป<อ>ที่ภาวนาอยู่ดีขึ้นเยอะละวนะไม่ได้ไปเพ่งตัวผู้รู้ล้วค่ะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อดีตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ก็จะเวลาทํานั่งสมาธิก็จะอยู่กับลมหายใจแล้วก็จะคอยดูจิตที่มันวิ่งไปแต่มันจะรู้สึกฟุ้งซ่านมากทีก็จะเหมือนกับ บังคับให้มันอยู่ตรงท้องนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะเห็นใจบ้างเวลามีความสุขขึ้นมามันก็จะคอยรู้สึกตามเหมือนกับพอหมดลมหายใจมันก็จะกลับมาดูใจแต่บางทีมันก็รู้สึกเป็นการบังคับบ้างอนะคะแล้วก็บางทีถ้าถ้ารู้สึกว่าใจฟุ้งมากก็มาดูพุโทโธมันจะเห็นเหมือนพุโทโธลอยออกมานิดนึงดีฝึกถูกแล้วเห็นไหมบางทีจิตมันก็มีความสุขปุดขึ้นม า, านดีฝึกไปเรื่อยนี่พอดีจะไปภาวนา 4-5 ห้าวานันกันนะคะเลยไม่น่าใจว่าทตาม ท, ท, ที่ทำอยู่มีอะไรจะต้องปรับหรือมีอะไรอย่างเงี้ยทำทให้ <ไป S 2> สม่าเสมอไปน ะ, ะแต่ว่าถ้าดูไม่รู้เรื่องแล้วกลับมาทำความสงบอย่าทิ้งนะขอบคุณค่ะทุกวันต้องแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยทำสมาธิเดินจงกรมทำสม่าเสมอจิตจะมีพลังขอบคุณค่ะ่าวนาดีรู้สึกไหมมันมีความสุข ความสุขมันผุดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วมันก็หายไปไม่มีอะไรที่บังคับได้เห็นไหมขันแต่ละขันแยกออกจากกันออดอนรมสการ์ค่ะหลวงพ่อคือในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีปัญหาสุขภาพมา ก, ก น, นะคะ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 คือถ้าถ้าเดินไม่ได้ก็นั่งนะถ้านั่งก็ยังไม่ไหวก็นอนนอนส่วใหญ่หลับนะคะนอนกระดุกกระดิกนะถ้านั่งอยู่ก็นั่งเคลื่อนไหวนะเคลื่อนมากแล้วเมื่อยเคลื่อนนิดหน่อยนะกระดุกกระดิกแแทนการเดินหลงพ่อเมื่อก่นเดินจงกรมนะเดินแล้วเมื่อยมากเลยน้ำหนักเราเยอะหงพ่อเดินเลยเดินจงกรมนะเดินอยู่ที่โต๊ะแม่ ไม่ได้มีแบบแตกต่างไลก็ตอนไปเอาขาเดินเอานิ้วเดินหรือเอาขาเดินเหมือนกันเนะ่ะอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นแนละ้วเป็นคนรู้เห็นรูปมันเคลื่อนไหว ใ, หใจเป็นคนรู้ก็ใช้ได้ลนะ่วอีกคาถามหนึ่งนะคะข้อหนึ่งก็คือบางทีเวลาเจ็บป่วยโทสะมันแทรกง่ายนะแ้วโทสะแทรกให้เรารู้ทัน เราห้ามจิตไม่ให้มีโทสะเราห้ามไม่ได้แต่ว่ามันฟุตขึ้นมาแค่แค่รู้ทันนะอย่าปล่อยอีกคําถามนึงนะคะเวลาเวลารู้ความรู้สึกเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยจะสังเกตมันเหมือนมันรู้ไปเองนะคะอย่างเช่นว่าเวลาเรากโกรธอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะรู้ว่าเรามือสัน่นใจเราเต้นมาก <S <S มแล้วมันก็เหมือนกระติดนะคะในการจ้องดูมันเนี่ยอันนี้เราควรจะเลิกมันหรือว่าถ้ารู้ก็รู้ไปแต่ว่า อย่าอยาพยายามจ้องมันหรือดูมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้องรู้ว่าจ้องน ะ, ะกำลังจ้องอยู่รู้ว่าจ้องอยู่เวลาจ้องบางทีจิตมันไหลเข้าไปถลําเข้าไปนะมันไม่แยกออกมาเป็นคนดูนั้นเวลาจิตมันถลําไปจ้องนะรู้ทันมันก็จะดีดตัวออกมาเป็นคนดูใหม่เราไม่จําเป็นจะต้องพยายามเรียนรู้ใช่ไหมคะว่าเวลาเราโกรธแล้วเรามีกริยาอะไรบ้างไม่ไจําเป็นหอก แต่ถ้าเราจะอยู่ในสังคมนะจะไปกล่าวสุนทรพจน์อะไรก็เอากระจกมาอันหนึ่งแล้วดูไปแต่ว่าถ้าภาวนาไม่จำเป็นเอาจิตไหมขอบพระคุณมากค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อข่าวที่แล้วที่มานะคะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าไปปฏิบัติธรรมมาแล้วติดแต่งล้วข่าวนี้ก็ได้ฟังทีดีหลวงพ่อฟังซ้ำแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ำอีก เป็น ล, ลอยเที่ยวซุปเปอร์โง่ไม่เป็นไรบอกแล้วว่างโง่ไม่ว่าเสร็จแล้วก็คือพอจะเริ่มรู้ว่าใจดีออกไปคิดนะคะแล้วก็รูปนามขันก็พอจะทราบว่านะตอนนี้ตัวเองเนี่ยข้อมือข้อขาข้อหัวเข่าเอวอไปหมดแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ทุก มันเป็นเรื่องของคุณนะคะแล้วก็แต่มันยังมีข้าพเจ้านะก็คือยังมีตัวกูอยู่โอมันยังมีตรงนี้แค่ะออตรงนี้แหละห่ละแล้วก็ตรงที่สองก็คือว่านั่งแต่ก่อนเดินนะคะไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้เดินไม่ได้นั่งนั่งแค่สิบนาทีห้า น, นาทีแรกเพ่งพอเพ่งเสร็จเฮ้ยไม่ใช่นี่เอาสบายสบายหลับเลย อืเบื้องต้นนอะเพ่งไว้ก่อนนะเรารู้ทันว่าเพ่งค่อยๆคลายการเพ่งออกถ้าอยู่อยู่เลิกเพ่งก็หลับนั่นแหละค่ะถ้าไม่หลับก็ฟุ้งค่ะแต่ตอนฟุ้งนี่รู้ว่าฟุ้งอืแน่นอนน่ะหลับก็หลับเน่ะหลับก็ไม่รู้ว่าหลับสิก็ขอแนะนําขอคำแนะนําจากพระธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราบังคับไปมากนะมันจะดีดกลับไปในทางฟุ้งซ่านค่ะ เมื่อมันฟุ้งซ่านสุดฤทธิ์สุดเดชของมันแล้วมันจะซึม<ฆ>นะเราห้ามมันไม่ได้นะคอยดูใจคอยดูกิเลส ท, ที่แทรกเข้ามาเรื่อยๆนะกิเลส ท, ที่แทรกเข้ามาเช่นความไม่พอใจต่างๆนาๆ<ฆ>นาะร่างกายไม่สบายก็ไม่พอใจจิตไม่สงบก็ไม่พอใจ<ฆ>นะเป็นไหมใช่ค่ะแล้วคอยรู้ทันใจของเราไว้อย่างนี้นะ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 โยมมีความเข้าใจว่าการหายใจเข้าเกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันก็มีการหายใจออกแล้วก็เกิดกระดับมันถูกหรือเปล่าถูกนะแต่มันยังคิดเอา อ, อ๋ออ๋อหลายทีแล้วไม่ใช่จิตใช่ไหมคะไม่ใช่จิตหนึ่งคิดเอาอมันยังไม่ได้เห็นเกิดดับจริงๆเราคิดเอาอนะอเขาโยมระวังนะใจมันช่างคิดนะให้รู้ทันมัน <laughs> เป็นคนคิดมากขอคำแนะนำค่ะเวลาจิตหนีไปคิดรู้ทันนะหาหาเครื่องอยู่ให้จิตเคยจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วจิตฟุ้งซ่านเรารู้ทันบ่อยๆให้ให้จิตมันมีบ้านอยู่จิตจะได้ไม่หนีไปนานพอจิตอยู่บ้านแล้วค่อยๆมาแยกธาตุแยกขันต์ต่อไปขอพระคุณค่ะ กรร น, นวัตการหลวงพ่อจ้ะค่ะรู้สึกว่าโลกมันห่างๆออกไปอืมเราดันมันออกไปหรือเปล่าวิธีโลกห่างออกไปนะอันนึงมีปัญญามากขึ้นนะจิตตั้งมั่นมากขึ้นมันแยกอีกอันหนึ่งผลักมันออกไปผลักโลกออกไปอีกอันหนึ่งดึงจิตออกมามีแบบไหนล่ะนมแล้วสามแบบมันแยกเองหรือดันมันออกไปหรือดึงจิตออกมาบ่อยครั้งจะเป็นอันที่สองค่ะเออ แล้วก็ชีวิตประจำวันก็จะค่อนข้างยะงหมกมุ่นอยู่กับธรรมะค่ะตื่นเช้ามาก็ฟังธรร ม, มไปถึงที่ทำงานก็เปิดฟังธรรมะมก่อนนอนก็มีทรรมสมาธิไหว้พระสวดมนต์ก่อนแต่ว่า ท, ท, ที่รู้สึกภาคภูมิใจขึ้นมาก็ช่วงนี้ศีลห้าเข้มแข็งขึ้นค่ะอ๋อดีโมทนาสาธุนะดีะนอกกนั้นหลวงพ่อมีอะไรแนะนาเพิ่มเติ ม, เ, ตมเจ้คะ่ะใจเราช่างคิดช่างฟุ้งไหม หรือช่างซึมมีสองอย่างค้าค้ากันไปค่ะคือจิตที่เราเพ่งไว้มากๆนะพอแรงเพ่งหมดลงไปมันจะฟุง้งฟุ้งเต็มเหนียวแล้วมันก็จะซึมนะงั้นเราอย่าไปเพ่งแรงนะลดการเพ่งที่แรงๆลงคืออย่าไปบังคับจิตอนะให้รู้ทันจิตอย่าไปบังคับจิตนะบังคับแรงไป ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่จ้ะค่ะอืมเป็นคนดีก็ไม่เป็นไรดีกว่าชั่วนะตอนนี้ยังเป็นคนเป็นคนดีไปก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ความจริงอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรานะกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราค่อยดูไปซิมีอะไรที่พึ่งพาอาศัยได้จริงนะค่อยดูลงไปแตนะ่เพราะว่าไม่มีคนเนาะแต่ขั้นแรกเลยอย่าไปเพ่งจิตไว้ถ้าเพ่งไว้นิ่งๆ ซึมๆนะนิ่งทื่อๆ อ, อยู่อพอหลุดแล้วจะร้ายร้ายบ้างไหมพยายามเก็บไว้ค่ะโอ้นั่นแหละยิ่งเครียดหนักกว่าเก่าอีกอแต่ดีแล้วไม่ออกไปนะแต่รู้ทันที่ใจปล่อยมันใช่แต่ไม่ออกทางปากไม่ออกทางมือนะแต่อย่าไปกดที่ใจปล่อยให้จิตทำงานเป็นธรรมชาติมากกว่านี้เราจะเห็นเลจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้าย ไม่งันจิตจะทื่อๆไปเหมือนกับไม่ค่อยสุขค่อยทุกข์อะไรนะทื่อๆไปไม่ดีหรอกเป็นไหมเป็นเจ้ค่ะส่วนใหญ่<อ>จะเฉยๆไม่ค่อยมีอารมณ์เพราะว่าเพ่งเอาไว้นะค่อยคลายออกแล้วจะเห็นนะสุขทุกข์เฉยๆนะหมุนเวียนไปเรื่อยเกิดแล้วดับต้องเห็นอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาจริงถ้าเฉยทําได้ให้ดูอย่างเงี้ยนะ เฉยทั้งวันอ่ะมันเฉยปลอมเฉยเพราะไปทําขึ้นมาก็แต่งขึ้นมากราบขอพ่อคุณจ้ะค่ะไม่เอานะมันเป็นพบพบหนึ่งเป็นพบที่เมื่อยมากเลยนรัมสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้ลูกอยู่กับสภาวะธรรมปัจจุบันกับการรู้สึกตัวค่ะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นหัวใจเต้นตึกตึกเลยเจ้าค่ะอยาให้หัวใจหยุดก็แล้วกัน แล้วหลวงพ่อลูกฟังซีดีของหลวงพ่อตั้งตั้งแต่หลวงพ่อไปอเทศนาที่จังหวัดพังงาค่ะที่วัดประชาสันติลูกก็มาจากพังงาเมื่อก่อนลูกป่วยมากอาการป่วยก็เป็นโรคจิตซึมเศร้าแบบ mm hmm. คิดคาตัวตายทั้งวันอ mm hmm. แต่ว่าพอได้ฟังซีดีหลวงพ่อก็โรคจิตก็จะหายไปเล ย, เลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องกินยาแล้วก็อาการป่วยอย่างอื่นก็ดีขึ้นมากค่ะ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 ว่าก่อนลูกกินยาค่าตัวตายบ่อยบ่อย อ, อย่าไปกินนะยาแพง <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้แบบลูกภาวนาแบบสบายขึ้นมามกเลยค่ะฝึกแก้สบายไปบบกระดูกค่ะหลวงพ่อกระดูกของลูกอ่ะแบบจะนั่งจะเดินจะนอนมันจะปวดราวไปทั้งตัว <c oughs> นั่งรถขึ้นมาเมื่อเมื่อวานนี่กระดูกที่ฟันมันจะร้าวไปหมด <c oughs> แต่ตอนนี้มันไม่ชีดูอย่างนี้นะเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่ง <c oughs> ความเจ็บความปวดก็อยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่จิตแยกได้ไหมแยกได้โอ้แยกได้กลัวอะไรตอนนี้แล้ว <c oughs> ลูกได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอย่า อ, อย่าชื่อนะค่ ะ, คะแล้วก็ไปเรียนท่านพระอาจารย์ที่นูน้นท่านก็สอนดูจิตให้ะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ไปอยู่ที่นู้นสี่เดือนตอนที่ไปลูกป่วยหนักตัวพร้อมไปอยู่ที่นูน้นแบบ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 นี่ก่อนที่จะเห็นได้เงี้นเราก็มาแยกก่อนกายอยู่ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตนะถตดแยกไปเรื่อยวันหนึงก็เห็นจริงจริงร่างกายก็ไม่มีสารามก็วางาเวทน า, าไม่มีสารามก็วางจิตไม่มีสารามก็วางอยู่ๆวางไม่ได้วางได้ด้วยปัญญาเจ้าแต่ว่าตอนที่ลูกนั่งภาวนาแบบว่าจะเห็นว่าตัวเองอ่ะลอกลอกหนังตัวเองออกมาเจ้าค่ะอย่างนั้นได้สมาธินะเป็นสมถะ การแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้แยกผมคนเล็บฟันหนังเป็นส่วนๆหรอกเจ้าค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิเรียกว่ากายคตาสติแยกเป็นส่วนๆมีสติแยกกายเป็นส่วนๆเป็นการฝึกแล้วได้สมาธิขึ้นมาเจ้าค่ะเราลูกอยากได้การบ้านไปปฏิบัติต่อที่ ท, ที่ใต้ะคะ่ะอย่ารีบร้อนนะเจ้าค่ะตายเมื่อไหร่ก็ตาย รแต่ว่าไม่ไปฆ่าตัวตายนะครับไไไมม่่ด้อถ้าฆ่า ต, ตัวตายผิดศีลห้านะไม่ได้เป็นแม่ชีผิดศีลห้าไม่ได้ถ้ามีสติไว้ด้วยแยกขันไปเรื่อยๆสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อ ก, การนมัสการครับหลวงพ่อคือมีปัญหากับชีวิตอะครับนับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ผมเสียเนี่ย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 ชีวิตมีเป้าหมายชีวิตไม่ได้อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งแบบสังกตายไร้าสาระนะถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าชีวิตเราจะต้องลดล ะ, ละกิเลสไปเรื่อยเรเรามีเป้าหมายชีวิตเราจะต้องลดความทุกข์รางใจออกไปให้ได้เนี่ยเรามีเป้าหมายชีวิตที่มีเป้าหมายเนี่ยจะไม่ว้าเวกสาธุข่าวขอบคุณครับนมรสการหลวงพ่อครับ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 ใช่งานตลกเอาให้ครบสามั น, นรักษาศีลห้าไว้ก่อนทำในรูปแบบไปการทำในรูปแบบเพิ่มสมาธิเพิ่มความตั้งใจได้หลายตัวนะได้ขันติได้อธิฐานนบารมีไหได้หลายตัวฝึกไปเรื่อยแล้วก็เวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจาวหลวงพ่อก็ทำมาแบบนั้นแหละครับ <นะ S 2> วันนี้อันนี้ถามแทนลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกว่า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 ไปเจอตรงนี้ลงเขาเขาคลายการเพ่งออก้วเขาว่าร้ายอครับถ้าอยากให้ดีือให้เพ่งไปทั้งชาติเราก็ได้รู้สิธิ์ไม่ดูร้ายอะไรเซลกซิมนะไปอยู่เขาดินได้เลยคือผมเคยแนะนำให้เขาลองดูลงไปตรงๆเวลาที่เขามีปัญหาแบบนั้นบางครั้งก็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 พผม่ากลัววิบากกรรมเหมือนนนะตอบไ ม, ไม่ไม่ผิดหรอกนะแต่มันฟังยากเด็กดูยากบอกให้เด็กมันเคยดูเวลากูเก่งอะ่ะอ๋อครับดูง่ายกว่าคือดูตอนที่มันแรงๆก่อนอย่างในชีวิตประจำวับบนเนี่ยมันก็มีความเห็นเป็นตัวเป็นตนนะแต่มันดูยากเนี่ยอาจารย์สอนขั้นแอดวานซ์จากไม่มีแล้วโปรขึ้นมาอะไรเนี้ยดูยากนิดนึงเอาแบบ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 การนมั ส, สการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสนะคะคือตามที่หลวงพ่อให้โยมกลับไปเดินให้รู้สึกตัวนะคะตอนหลังนี้มาแปลงฟันตอนนี้ก็เห็นกายไม่ใช่ของเราแต่เห็นทั้งตัวมไม่เหมือนปีที่แล้วเห็นแค่ซ้ายกายับคุณนั่นแหละถ้วฝึกเก่งๆแล้วเห็นทั้งตัวเลยแล้วก็สะอาดสะอาดนะคะแล้วก็เจอสภาวะธรรมทิ้งกาย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 เป็นพรัาะอารมณ์นั้นบางทีตามหลังความคิดมาคําว่าอารมณ์ของโยมหมายถึงอะไรเนี่ยความสุขความทุกข์อะไรงั้นปะเออเหมือนกับตึงๆบ้างโกรธบ้างอย่างเงี้ยอยากกิเลสนะมันก็ตามหลังความคิดมาตัวโทส ะ, ะเราไปคิดในทางพยาบาทเรียมีพยาบาทวิโตกนะโทสะมันก็เกิดพอรารู้ทันจิตที่คิดเนะี่ยเราทําลายต้นทางของโทสะโทสะเลยดับ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 พอทําแบบนี้แล้วมีแรงขึ้นมีแรงะนะมีแรงแต่อย่าให้แข็งทื่อๆนะจิตขนณะนี้ยเป็นปกติไหมเหมือนตอนอยู่บ้านไหมเงียบกว่าเออนะอถ้าเป็นเงียบผิดปกตนะิแสดงว่ามีการเพ่งไวมีการตรึงไวนะล้วจิตตามธรรมชาติเนจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสบายๆเพราะมันเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่ก็ไม่ติดครับนะ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 พระเจ้ไม่ได้สอนกายานุวิตกสติปัฏฐานหนึ่งไม่มีแคนะ่เราเห็นมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นขณะนี้เป็นยังไงขณะนี้เพ่งไหมขณะนี้เพ่งอยู่เปล่ารู้สึกไม่ชัดครับรู้สึกไหมว่ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าปกติครับนะ ถ้ามันมีการแทรกแซงเข้าไปมีการเพ่งเข้าไปมันก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็นิ่งๆทื่อๆไปนะแต่อาจจะเพราะตื่นเต้นก็เลยไปเพ่งไว้ถ้าอยู่บ้านไม่เป็นแบบนี้ก็ใช้ได้นะจิตเคลื่อนไหวเร็วว่า น, นี้ไหมครับอ ย, อยู่บ้านจ ะ, จะดีกว่านี้ออนะถ้าอย่างนั้นใช้ได้ขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับส่วนปฏิบัติต่อไปครับทําปกติแหละนะทําไปอย่างที่เคยทํานะไม่ต้องกลัวเพ่งหรอกไม่ต้องกลัวติดหรอก เพรามันเคยรู้จักเพ่งแล้วมันติดยากติดยากขึ้นนล้วแล้วก็ค่อยรู้ทันจิตไอแอบไปคิดค่อยรู้ทันนะรู้จักจิตที่หนีไปคิดไหมรับนะรู้บ่อยๆนะอย่าไปเพ่งให้นิง่งจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันนะฝึกอย่างนี้แหละทําในรูปแบบทุกวันดีอ่ะสบายขอบคครับ น้มาสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านครั้งแรกครับฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีครึ่งนะครับก็พอหลังจากที่เริ่มฟังอ่ะนะครับก็หัดรู้หัดดูมาทุกวันนะครับผมแล้วก็เริ่มมาปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็รักษาสิ่งห้าครับอืแล้วก็แต่ปฏิบัติในรูปแบบนี้ไม่ได้ทําทุกวันนะครับวินัยหย่อนลงมาครับผมอย่าหย่อนสี่นะครับแล้วอย่างเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะครับหลวงพ่อ คือเวลาพอเริ่มเลยนะครับผมก็จะเพ่งไว้นิดนึงก่อนแล้วมันก็จะคลายออกได้ถ้าสุกแล้วพอมันคลายออกเนี่ยมันก็จะฟุ้งไปครับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็จะเริ่มสงบลงมาแต่บางทีมันจะเป็นอาการซึมครับแต่หลังๆก็เริ่มรู้ทันว่าอาการแบบนี้มันคืออาการซึมนะครับแล้วพอมันเริ่มสงบลงมานิดนึงเนี่ยบางครั้งนะครับมันคล้ายๆเหมือนกับว่าจิตมันรวมลงมานิดนึงแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาลงมานิดนึงแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเนี่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้มันคือสมาธิมันน้ออยไปหรรืาคับ จิตมันไม่ยอมรวมรมันจะอยากเดินตัญญามากมันไม่ยอมทำความสงบนะแล้วน้อมมันเข้าไปถึงจะลงไม่ลงนะจะรวมไม่รวมก็ช่างถึงเวลาก็ปฏิบัติในรูปแบบไปครับแล้วจำเป็นต้องน้อมเข้ามาบ้างใช่ไหมครับน้อมบ้างก็เหมือนอย่างตอนเริ่มต้นอนะเพ่งไว้นิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยคลายออก เวลาฝึกจิดฝึกใจก็น้อมเข้าหาอารมณ์บ้างแล้วก็รู้ทันว่าน้อมอยู่แต่แต่ก็คลายออกได้อ๋อครับแค่แค่นึกถึงอารมณ์นะนจิตก็สงบเลยคือผมไปสับสนกับบางครั้งที่แบบมันสงบลงมาเองนะครับผมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันไปเห็นกระบวนการทํางานตรงข้างในอะฮะแล้วอย่างนั้นคือผมรู้สึกมันสบายกว่าครับผมเอออย่างนั้นเป็นสบายแต่ว่าอันนั้นจิตมันไปเดินปัญญาอยู่ในสมาธิอีกทีหนึ่งนะมันเป็นเองนะครับ ถ้ามันไม่เป็นแลจิตฟุ้งซ่านไปแล้วไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วน้อมเข้าหาความสงบแสดงว่าต้องให้คนละแบบกันต้องให้จิตมีแรงพอก่อนใช่ไหมครับมันถึงจะเข้าไปเห็นได้ไมันถึงจะไปเห็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่มีแรงไม่เป็นหรอกการที่จะไปใช้สมาธิกับปัญญาควบกันนะจะต้องมีสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งคือชํานาญในสมาธิสิ่งที่สองชำนาญ ใ, ในการดูจิตนะถ้ามีสองงานนี้แล้วเราถึงจะทำอย่างนั้นได้ เพราะงั้นมันทําได้ชั่วคราวแว้บๆคือตอนนั้นมันเป็นตอนหัดแรกๆครับมันเป็นของมันเองแปลว่าได้ตั้งใจใช่ครับแปลว่าผมควรจะไปเดินไปตามทางที่เคยเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับมันเดินไม่ได้แล้วมันจําได้เมื่อรอยากให้รู้ทันว่าอยากนะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นเองแต่อยู่อยบอกให้เหมือนเดิมไม่เหมือนแล้วล่ะครับผมมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับที่ทําอยู่ดีแล้วล่ะนะ แต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือความตั้งมั่นของจิตจิตมีความสุขจิตมีความสว่างสวัยเบิกบานแต่ออกนอกไปหน่อยให้รู้ทันคือเวลาจิตมันถลาลงไปรู้ที่หลวงพ่อพูดนี่คือว่ามันออกมาเกาะกับข้างนอกแล้วอย่างอื่นมันดับหมดมันเหลือแต่อารมณ์ที่เรารู้แค่นี้คือจิตไหลออกไปใช่ไหมครับใช่ไหลไหลไปเกาะ อ, อยู่กับอารมณ์มันเดียว จิตออกนอกเนี่ยของหลวงปู่ดุล น, นะครับว่าจิตออกนอกทันทีออกไปทางตาหูจมูกลิ้นไกาก็ได้นะเข้าไปข้างในใจก็ได้ส่งเข้าไปข้างในใจท่านก็เรียกออกนอกเหมือนกันคือนอกเหนือไปจากความรู้สึกตัวอย่างเวลามันรู้ขึ้นมาแล้วอย่างอื่นดับหมดเหลือแต่อารมณ์อันนั้นอันเดียวนี่คือใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ตั้งมัน<า>คือถ้าสมมติจิตเป็นคนดูอยู่นะเห็นอารมณ์เกิดดับอยู่อันเดียวเนี้ยใช้ได้นะแต่จิตอยู่ต่างหากนะ แต่ถ้าจิตไหลเข้าไปเกาะเลยเป็นการเพ่งจิตจิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นหลักของการเพ่งการทาสมถะครับขอบพระคุณครับใช้ได้นะแต่ต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นกว่านี้นิดนึ่งกับน้ำมัศการหลวงพ่อครับก็ส่งการบ้านครั้งแรกนะครับในรอบสามปีก็ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติก็มีการเปลี่ยนแปลง ก็สรุปว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวเองค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของสีนโดยเฉพาะสีนข้อห้าก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรเนี่ยมาสามปีแล้วนะครับแล้วกอ็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าในการทำสมถะของผมนะครับก็ทำเกือบทุกวันนะครับในรูปแบบก็ไม่แน่ใจว่าจะไปะติดสมถะหรือเปล่านะครับทำไปก่อนนะยังไม่ถึงขนาดติดหรอกอาศัยมันกัน อย่าไปกลัวเรื่องติดนะติดหรือไม่ติดมันอยู่ตรงนี้ว่าพอจิตมีสมาธิแล้วมีความสุขเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมีความสงบเกิดขึ้นแล้วเรามีความพอใจเราไม่รู้ว่ากําลังพอใจอย่างเงี้ยเป็นติดถ้าเราพอใจเรารู้ทันนะไม่ติดอย่าไปกลัวต้องทําแล้วก็ในส่วนของอการเจริญสติประจําวันนะครับก็คิดว่าตัวเองก็ได้ เห็นกิเลสตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับ ก, ก็ลหลายๆตัวนะครับสิ่งที่เห็นบ่อยก็คือตัวโมหะนะครับมันเหมือนกับเห็นตัวง่วงหาวหาวนอนซึซซมๆอะไรพวกนี้ก็แล้วแล้วก็ไม่ชอบสภาวะตรงนั้นด้วยนะครับคือรู้สภาวานะแล้วต้องเป็นกลางด้วยงั้นรู้สภาวะแล้วไม่ชอบให้รู้ทันรู้สภาวะแล้วชอบสภาวานะนั้นให้รู้ทันนะที่จะเป็นกลางไปดูอีกตัวนะ่กูเก่งกูเก่ง ขอบพระคุณครับหมดแล้วครับครับสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในสาราลุงชินแห่ง น, นี้กล่าวคำถวายทานแด่หลวงพ่อนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปจัจทินไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเชิญยถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอีโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังกิบเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทพันรโสยถามนิโชติรโสยถานสัพพิตโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคาโยโกภะวะอภิวาทนศิริสนิจังุทธาปจจายโนจัตตารโธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังปัจจัย ที่พวกเราถวายหลวงพ่อวันนี้นะหลวงพ่อมอบให้สาราลุงชินรขบค่าเสียหายเขาเยอะ